มาแล้วที่นี่คุณอยู่กับแล่งธรรมะแล้วรุงพ่อฤาษีท่านสอนได้ตรงหมดแล้วทำที่นั่นให้บริบูรณ์เถอะเมื่อท่านปรกรบอย่างนี้ก็ขอถ่ายรูปท่านขอถ่ายรูปท่านความปินพวกเราก็ไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติอยงไร ไปถ่ายรูปไปข้างใ ห, ไหไ้ไปกาบหลวงพ่อไปแล้วก็กลับกลับไปไปกาบหลวงพ่ออีกทีหนึ่งพอลูกก็ลูกไปทันดูทันก็บอกว่าห้องนี้นีดเป็นพระที่ไฟดับไปทั้งยี่สิบปีแล้วไฟทันดับแผนหมดแล้วดับไปจากราคัช ด, ดับไปจากโทสัดดับไปจากโมหะ เราแล้ก็ดีใจร้องไห้ดีใจชื่นใจอะไรใดๆแตมากราทเที่ชื่นใจวเราก็เริ่มทยอยกันมามอถึงแต่ล ะ, ตละข่าวแต่ละครั้งท่านก็น ท, กนท่านก็เทนทีน่าชื่นใจท่านก็ น, น้ำตาล้วงชื่นใจรท่าน ส่ขขอให้เรามีความมั่นใจในพุทธศาสนาขึ้นมั่นใจในการปฏิบัติความดีทุกคราวที่ทำนะคราวนี้ก็เหมือนกันมาทุกคราวทุกคราวก็เป็นทุกที่ยังยังยังเพิ่งมาใหม่ไม่เคยมา ที่ท่านเป็นธำแหน่งปฏิบัติคล้ายๆที่ระเบียบที่ไใหนใคล้ายๆที่วัดเราการมาตลาดข่าวก็ต้องอยู่ในระเบียบไม่รับผู้ที่ไม่สนใจในธรรมเข้ามาในนี้ต้องปรับตัวหนึ่งที่ไม่ไม่มีการส่งเสียงดังดังเกินไปซึกมาคือแรกนเงียบยังก็ไม่มีคนเลยทีนี กันคืนถ้าก็ปิดไฟเพื่อประยพยัอเพื่อความสงบส่วนนี้ก็เป็นจริงที่ระเบ็นวินัยที่ทันทางไวอาศรมอาศรมเป็นที่อยู่ที่อยู่ของท่านก็เป็นที่เงียบสงัดดีมีธรรมชาติน้ำตกไหลผ่านกุฏิเสียง เหมือนน้าตกตลอดทั้งปีข้างข้างบนเนี่ยในข่าวว่าปีนี้ตน้นข่าวราษาท่านได้อาัดนักอาพัดหนักไปรับแขกประมาณสองสามเดือนเหมือนกันถามไม่ทีบางส่วนกว่าท่านก็รอปลอดกับจอดลม ปอดส่วนหนึ่งหอดลมจะเมื่อออกรรษาแล้วนี่คณะประพัดคุณสุคุณสมชายก็จะไปทำกระถิ่นของขาวก็มาแวบที่นี่กนทกาไมุ่ญาตให้พบได้ในขณะแหละเพราะว่าขณะที่มีศรัทธาศรัทธาแท้แต่ก พญาพญาไ้พบแล้วก็ได้สอนสอนทําใบบางบางส่วนเปน็นนาชื่นใจไม่พูดไปเล่าให้ฟังว่านุกุศลอะไรก็ยังชื่นใจไม่หายก็ติหลังสียชมพูนีน้มืดเอาอมากันปีที่แล้ยังไม่ได้มีอยู่ปีนี้มีกูส้สร้างถวายที่รับแขก ก็สงตอ่อฮัทุกฮัทุกแตะโยมที่อยู่ในุเทศพอดีที่จะมาพักที่นี่ก็ตอ้องติดต่อเจ้าที่คือไม่ขีขออ น, นุญาตให้อยู่ได้เป็นเขาขราวก็เป็นที่เงี่ยสนัดตีนะที่เงี่ยสนัดตี ตอนที่ที่ลุงปู่ท่านจะให้ อ, อวสัสให้คำสอนเราก็จะทำพิธีขอขอมากันขอขอมาในที่นี้ในความว่าบางครั้งเมื่อคืนยังนึกอยู่ในใจว่าสถานที่นี้มันที่สงัดที่สงัดเมื่อคืนนี้ก็คงไม่สงัดทางที่ใจว่าแต่ก็สงบพอสมควรแต่ไม่สงัด สงบจะไม่สังนัดหน่อยเพราะรถเธอเข้ามาทุกขยาคนก็เข้ามาหลงหาที่ที่เข้าไม่ได้คืนนึกว่าท่านขอเข้ามานั้นเมื่อเราเข้ามาบางทีก็ลืมสติไปบ้างทำให้สถานที่นี้ไม่สังนัดสงบแต่ก็เจตนาที่ทำลายความสังนัดสงบไม่มี นนมันจะเป็นโทษบางเล็กน้อยโดยเราไม่ไเจตนาก็ถือว่าขอเข้ามาแต่ผู้ใหญ่คือหลวงปู่ท่านเป็นประธานอยู่ประานที่นี้ก็ถือว่าทำสักใจจะได้สบายความเป็นโทษเป็นภัยจะไม่มีเส้นอันละกันการที่จะตักมัดตักผงก็จะท่าไม่มีเกิดขึ้นกับกิจเรา ญาติโยมจะทําบุญตอนนี้นะครับร่วมทําบุญถวายก็จะส่งปัจจัยมากกครบเลยก็จะดีเพราะว่าจะได้ถวายทีเดียวเลยแล้วก็อะยายรทุกเจอาไม่ไ ม, มาไกา่มาไกา่ก็ให้เห็นหลวงปู่จิตเจิดจิตจึงอะไรเราจะไม่ประกาศยอดนะครับไม่ประกาศนะครับรวบรวมได้ก็รวบรวมญาติโยมอยายกจะมาถวายเองก็ไม่ว่ากันนะครับ นั่นนนั <cript> <around> <geri> ่นนนั่นน่้าไปถึงนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินถึงก็เป็นได้จะประกาศที่นุ่นในรถนะที่นี่ไม่ประกาศนะจะประกาศในรถนุ่นเวารถออกมาวอบอกกันคนจะได้โมธนาเออไปวางน่าไปายกนาใหญ่น่น ใช่ถูกถูกถูกถ้าตายแล้วมาได้ทุกเที่ยวเออเอ้อผู้ที่มาคณะคุณ สมชายเย็นสวงนะใช้ลมนี้ให้เป็นเจ้าภาพอาหารนะเจ้ า, าหาพที่คู่ที่ขึ้นรถคณะสมชายเนะนี่ยมนจะมีส่วนเหลืออยู่บางส่วนก็จะจัดเป็นอาหารเรียงรืพวกเราทุกคนที่นี่มันสองหมื่นกว่าบาทก็ซื้อเรื่อประหยัดไปฟ้าเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันในตัวหนึ่งสบายที่นี่ฉันขอให้ทุกคน คืรับกุศลชายก็ดีที่ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันก็นดีขโมทนานะขโมทนาทุกคนได้เดียสละถูกปัจจัยเรียงถูกเราเมื่อวานนี้ญาติโยมทำบุญทั้งหมดรวมแล้วล้านกว่าบาทเมื่อวานนี้นะครับสำหรับเราไม่คุ้มค่มา เมันมีแล้วพวกกันต้องย อ, อกันไว้ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชือ่อไม่ได้เตรียมตัว ก, กันมาเนี่ยนะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เสียแต่ปัดใจอย่างเดียว <c oughs> เสียน้ำตาโอ้ <c oughs> มีใครอยากจะสัมภาษณ์คนพูดบัาณนะ ไปสองภาพที่กำลังพูดอยู่นั่นแน่ะเออน้ำตาเห็นความสุขนะความปิีติเมื่อวานนี้ที่พระธาตจอมปิีติเปิเสร็จและวเจ็ดแสนกว่าบาท มีรายการปิดท้ายรายการปิดทองพุทธรูปปิดทินมาจับเจ้าภาพได้ที่ในรถอันพระครูปรหลักได้ไปอีกสองแสนรวมเป็นเจ็ดรวมเป็นเจ็ดวเป็นเจ็ดแสนที่พระธาจอมปิติแล้วก็ที่ดอยตุงนั้นสามแสนเศษรวมกันก็เป็นล้านกว่าบาท มีเวลาส็สยี่สิบนาทีครับญาติโยมตอนนี้จะค่อยๆท ย, ยอยเข้ามาตั้งใจจะทําบุญถวายหลวงปู่เนี่ยต้องถวายอง น, นี้ซะ ก, ก่อนได้ยินองต่ อ, อนี่เป็น เ, เรื่องจริงที่จะเราจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งอย่าเนี่ยตอนนั้นก็ไปที่ไปบเมริกากันเนี่ยก็มีพระบางองค์เนี่ยยัดในกระเป๋าก็มีคนจะพาะมือใหญ่ที่หนาๆตลอดนั่นนั่นเนี่ยก็ตั้งใจจะพื้นถวาย ก็จะซื้อเขาจะไปถวายเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกให้มาถวายท่ก่ น, นแล้วค่อยไปส่งต่อเอาบุญสองต่อเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยถวายองค์นี้ซะก่นอนแล้วก็ให้ท่านส่งต่อได้บุญสองต่ออะไรนี่ระเบียบปฏิบัติที่อยู่นม่เป็นไรเดีย๋ยคุยกันเ้มือมาวานวานนี้วันนี้ก็ มาันในรถก็คุยกันคุณดรปัญญาปะเรื่องรําโดยไม่ได้นัดนัดหมาไม่ได้ว่านกันมานี่ก็แปลกสิยั ง, ยงแล้ ว, ลวไม่รู้ว่าใครจะมาลําแล้วก็มีคนมาบอกดรปัญญาแต่ก็หาตัวไม่ได้ดดว่าเห้ยมาบอกเราว่าจะลำ้ำเราไม่เห็นตัวเปนไหนไม่ถูกก็มาบอกกันตอนหลังคนไม่ก็ไม่ใช่คนเกา่าหรอก คนเก่าในไ ม, ไม่ใช่คนนี้นี่ก็คุยกันในรถมาว่ามีอยู่คราวหนึ่งก็คุยกันค่อยๆมีอยู่คราวหนึ่งที่วัดเราคุณพ่อท่านจะไปบวงสรงที่โ ร, ร, ร, ร, รงเรียนคือบวงสรงที่โรงเรียนกับวงสรวงบเอาเด็กมาด้วยเด็จมัมีลำอยู่เอาดนอืคือเอาดนตรีไทยไปด้วย เม่อบวงสวงเสร็จกรลลำถวายทัตูทันยาที่ฉันดูแลเรื่องโรงเรียนอยู่เมื่อลำเมื่อขณะลำนั้นหลวงพว่อก็นั่งอยู่แล้วก็พาดฟังกยที่เมื่อลำวันนี้นี่แม่เขาคุมมาทุกคนเลยเขาก็บอกกันนี้ลูกของลูกของฉันลูกของฉันคนนี้มาจากยามามัง่งมาจากเออกระดึงบ้าง จะคุมรู้กันเขาออกมาลำ้ำถวายนี่คุยกันเสร็จแล้วก็ที่เนี่ยที่เนี่ยใครรู้บ้างที่อะไรนะจาตบิติใช่ไหมครับตบเติมยากรรมธรรมพาพาจบน้อยเป็นไงเห็นคนล้ำเป็นไงบ้างเขาบอกเห็นมีชดาแล้วไปหมดทุกคนเลยเแต่งตัวทุก นี่เป็นอรทิตย์กระตุกตึกเนี่ยบอกตะกี้เราคุยกันยอมน้อยมันยังยินแต่นี้ดอมน้อยนี่พูดตรงกับหลวงพ่อนะว่ะการล้ำนี้ที่เป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแม่อยู่ก็คุมรูของตัวเองมาลำ้ำถวายเป็นพุทธ บ, บูชาแล้วมีอยู่ข่าวหนึ่งที่ที่วัดแต่ชั่วไม่บทใหม่ๆประสอนึงหกหนึ่เจ็ดแต่หลวงพ่อท่านจะพิมชิด เจ็ดแล้วบอกวันนี้ดีใจจริงๆวราลูกของฉันทําบุญเครื่องสูบน้าที่เป็นแม่ริวบนดาวดึงเขาฟ้อนกันใหญ่เลยเขอบอกว่าลูกของฉันจะไม่มาไม่ตรงไปเกิดแล้วเขาโมทนาว่าลูกของเขาตัดกิเลสออกไปดอกห น, นึ่งนี่ก็ตรงกันตรงกันหลายจุดอ่ะเทวดาเขาดีใจเขาจะฟ้อนฟอนว่า พวกของเขาได้ทําความดีและมีความชื่นใจแจ่าชื่นแนละ้วเมื่อวันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าเราไม่รู้ว่านี่จะจัดพิธีลากันหรือเปล่าจะไม่รู้ไข่ชะดำจะำไม่รู้ยาดนตีที่ไหนเมื่อเห็นคนลำเราก็ชื่นใจชื่นใจไหมเขาว่าเขาได้พุทธบูชาเนาะมันแจ่มชื่นจิตมันกระจัดไปหมดบางคนก็ดูฉันยังดูไม่ไดดูก็ลมตาลงบอกบอ ก, บอ ก, บอก ที่ตใจมั่นีใจรนณะมมันรวมไปหมดเลยนะรวมมันนึกถึงอะไรไปหมดรวมยอดหมดตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่นเดี๋ยวอขอพันที่จะเตรียมขอเข้ามานะชุดแล้วของคารวะเ็จดเตอร์เสรเป็นตัวแทนคารวานะแล้วครับหลวงปู่ครับู่เามา บา ง, งคนก็นมาผิดระเบียบมาธรรมดาทางวัดปิด ก, การเข้าพักเวลาหกโมงเย็นตรงผู้บางผมก็มาทางไก่ปางไก่ปางก็มาผิดระเบียบบางท่านก็ส่งเสียงอาจจะบรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่อาจจะเป็นโทษ ในการบำเพ็ญธรรมของพวกขพมแต่ก็มีเจตนาดีอยากจะประกาศองค์ปู่รือครามขก็ลบครับโท น, นั่นจะมีแก่ข้าพุกธผพมเพียงใดพวกพมขออนุยาตขอขอมาโทษต่อองค์องค์ปู่และสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพิธีกรรมนี้ขอขอมาหลวงปู่ด้วยครับพวกเราขอให้ ฟังนโมกจบพร้อมกันนะนะโมตัสสะปะ a ตวะโตอาระหะโตสมมาสมปุตตะสะนะโมตัสสะะวะโตอาระหะโตสมมาสมปุตตะสะนะโมตัสสะปะโตวะโตอาระหะโตสมมาสมปุตสะมหาเถร ปะมาเทนะปวาระตะเยะนกตังสับพังอปปราทังกมธทเมพันเตปุกาสะขามาิพันเตก า, า, า, าตกา ครัต อ, อตอนนี้ก็ขอโอกาสทายาทโยมได้จจเข้ามาทำบุญครับพระเดชพคุณหลวงพู่ก่อนทายาทโยมจะเข้ามาถวายของถวายปัจจัยกับเชิญครับทายาทโยมทัง้งหลายผู้ที่ ปิตามทันตะคูปรลัดจึงมาประกอบพิธีบวงสวงบนดอยตุมและที่พระธาตจองคิดิ กระท่าทั้งหลายเกิดร้อนแล้วติกกรรท่านมาด้วยความยินดีก็เป็นที่ควรจะพูดได้ว่า เป็นที่เอิ้อเยินใจเรื่มใจของท่านพระครูประัดซึ่งเป็นผู้นำของสถทธายาตโยนใหญ่น้อยทั้งหลายจนสุดท้ายญาติโยมทั้งหลายก็ได้ หรือโอกาสกิจกรรมมาประกอบพิธีจิตอาสาสงฆ์ในวันซึ่งเป็นที่ทับของท่านพระคุณเจ้าดาบดประชาญาติาโยมทั้งหลาย ก็ได้มีศรัทธาเสียสละในมาสละทานเป็นประจำปีมีผู้พูดว่าปัจจุบันเศรษฐกิจเยี่ยมเย่ ตกถอยการบ้านการเมืองก็ทำให้กระทบกระทือนไปด้วยคนไทยท่างชาติก็ต้องเป็นหนี้เป็นสิลปเขาท่านกระจายอยอดยุ่งต่างหลาย นี่ก็เป็นแต่ความย่อๆที่ท่านหลวงพ่อตาบทได้ยกขึ้นมากล่าวแต่เห็นศรัทายาติโยมทั้งหลายที่คิดต้อยห้อยตามท่านพระครูประหลัดมานี้นั้น ไม่ได้ตกถอยไปเลยไม่ได้ตกถอยไม่ได้ตกจาตั้งยันเจะเติบตัวยิ่งขึ้นมีศรัทธากล้าแข็งยิ่งขึ้นประเกลว์จะดยสั้นดูดูแล้วก็เหมือนกับแมลงพึ้น ไฟเจิสั ก, กน้อยหนึ่งมันก็ตื่นตัวลุกขึ้นต่อสู้ถึงตัวมันจะน้อยแต่ว่ามะเร็งพึ่งมันก็ลุกขึ้นต่อไปสู้ทั้งรังชิเดียวไม่ต้องถอยไม่ตกใจไม่รีกหนีมันขันใดก็ดี หรือเหมือนกับมดแดงตัวน้อยๆใครไปลำแกนหรือไปเจี๊ยบลำมันตัมโนยหนึ่งมันก็ลกูขึ้นเข้ามาตอดรูมาเข้ามาถอยนี่ก็เหมือนกันพลาเนยียเกียวมึงทั้งหลายเมือเอ่อไปตะเกียบยำแย่ ตกถอยแต่สทธาอย่าโยมทั้งหลายไม่ได้ตกถอยไปด้วยมีสัทากล้าแข็งมีความเพียรยิ่งขึ้นจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็ดูเอาเองที่เป็นเช่นนี้ เกวยจยกับอะไรหนอที่เป็นเช่นนี้มาจากอะไรเป็นเหตุก็ขอพปดในทีน่นี้เป็นคำตอบไปในตัวว่าเพราะว่าพวกสาญญาัตยาโยมทั้งหลายได้ครูบาอาจารย์ที่ดี ได้ผู้นำที่ดีมีความรู้มีความสามารถเป็นอัจฉริยะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อพระราชารมยานซึ่งท่าน ได้มอบกุญแจไขประตูสมบัติไว้ให้แก่สะท า, านยาโยมทั้งหลายท่านได้มอบกุญแจไขเปิดสมบัติทั้งสามให้แกญาโยมประทานทั้งหลายแล้ว สมบัติทั้งสาก็เปิดเราเองสมบัติทั้งสามคืออะไรกนมนุษย์สมบัติสังขารสมบัติอริยะสมบัติหรือพระนิพพานสมบัตินี่ก็ท่านได้มอบคุณแจกให้สมบัติสามให้เราแล้วเปิดสมบัติสามให้เราแล้ว เป็นพูดว่าตถาญาณโยมทั้งหลายได้ครูบาอาจารย์หรือผู้นำที่ดีจึงไม่เสื่อมถอยสถาไม่ตกกําไม่ถอยหลังมีแต่สู้มีแต่เดินหน้า แต่ทั้งโลกแม้จะตกตรรหรือจะสุดลงอย่างไรแต่ว่าสัานั้นม่สุดหรือความดีมันไม่สุดถอยนีเป็น ส, สิ่งที่ที่สูงได้ แม่บ้านเมืองจะวิตหริบไปในรูปไหนก็ตามภายในสามปีเจ็ดปีก็ตามแม้ว่าแผ่นดินจะสุดน้ำจะท่วมโลกแต่ว่าภูเที่มีสิ่งที่ดี ผู้มาฌานที่ดีนั้นมันก็เริ่มจะไม่ทุติมลงน้ำลมโลกก็ยอมไม่ไม่อยู่ใด้น้ำ อ, อันนี้ว่ากันถึงโลก จะเป็นไปในแตกใจก็าตามสิ่งที่จะไมุ่ดลงตาน้ำหรือตันดินจะไมุ่ดลงน้ำจะไม่ท่วมโลกก็เนื่องจากว่าผู้มีฤทธิ์ในโลกนี้ ผมจะช่วยอยู่ในสาตาของท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์หรือท่านผู้ที่มีบุญหรือเทพเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีศักดิ์ย่อมจะระถ้ำท่านผู้ที่มีศรัทธาไม่ตกถอยมั่นคง การเหตุที่เท้ก็ได้กล่าวข้างต้นและิ่งที่พอจะกล่าวเป็นสาระประโยชน์ในที่นี้สกสืส้อว่าศรัทธาเราทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายนั้น มีพติอันแน่นอนก็คือเมื่อวานนี้ศรทัทธาซึ่งเชื่อมั่นในครูบ า, าอาจารย์ก็ไปบวงสรวงเทพเจ้าที่ดอยตุ้มที่พระาธาตุสองจิตนีมีกับตือการ น, ก น, น้อง แต่ผู้รักผู้ใหญ่การบูชาเทพเจ้าก็เป็นการนอกเนาะแต่ <The> ผู้หลักผู้ใหญ่าการดับของพุทธศาสนาเกิดมาจากมาจากครูบาอาจารย์การ น, นอกนอ้อมครูบาอาจารย์ก็ดีการบูชาเทพเจ้าอันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพวกเราก็ดี อันนี้เป็นอภิญญาในน้ำใหม่บุญการนอกน้อมย่อมเจริญโดยอายุโดวยวันนะั้นโดยสุขะโดยพระการนอกน้อมยังไม่ถึงความที่น่าในเมื่อโลกที่น่าถ้ากรรมไม่ดีโดยแท้มันก็ย่อมจะมีสิ่งอันผ่านพ้นต่อพยันตรายทั้งหลายไปได้ถ้าหากว่า มันมีมาเกือบกลัวหรือความมีบัตรอันเกิดแก่ขึ้นบิพบหรือโลกของเหล่านี้ผู้ที่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ดีดาบันดาคูบาอาจารย์ย่อมจะมีเทพเจ้าลงมาช่วยหรือเทพเจ้าไม่ลงมาช่วยท่านผู้ที่มีชีวิตที่บังเกนบุญบารมี เาหลวงพพระราชพรมยานก็ต้องช่วยพวกเราเป็นแน่ทีเดียวผู้ที่มีอิทธิฤทธิสำเร็จมโนโมยิทยิต้องมีต้องมีอยู่สักไม่มากก็ น, น้อยผู้สาเร็จมโนโมยิทยิต้องมีมโนโมยิทยิคือเป็นหลักการปฏิบัติ ในด้านสมรรถที่ภาวนามโนมยิทธิคือฤทธนนิ์ท่านสเรเจเดื่อใจอาน่านพระราชพรมยานของพวกเราทั้งหลายได้สอนไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติก็ย่อมจะได้ผ ล, ดผลได้ผลจริงจังได้ผลแน่นอนให้บังเกิด เป็นฤทธิ์ขึ้นมาได้ขอพูดย้ําถึงเรื่องมโนโมยิทธิในแดวสมาธิการทันสมาธิในหลับมโนโมยิทธิที่นี้นั่นแ่ะ มันเป็นของยากมันเป็นของยากแต่ท่านพร ะ, ะพรจ้พมยานท่านเป็นผู้ที่สำเร็จมันลมาิทกทีท่านมาบอกกับพวกเราหรือผู้ปฏิบัติธรรม มันก็เป็นของง่ายคือของยากในบุคคลที่ไม่รู้ไม่มีคนบอกอันนี้เป็นของยากแต่เป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีคนมาบอกรู้แล้วก็เป็นของง่ายเป็นของยากเพราะไม่รู้เป็นประการแรกไม่มีคนบอก ทำเองคงไม่ได้อันนี้เป็นของยากนกเข้ามันจะกินหนูกินกบกินเขียดมันรู้ว่าหนูกบเขียดอยู่ในกระบอกแม่พัย มันก็กินไม่ได้เราเรียกว่าเอากินยากถึงมันจะเอาปากมันครบมันกบไม่สามารถที่จะครบไม่ก็บอกไม่ใครเอากบเอาเขียนเอาหนูมากินได้ท่านผู้ฟังทงั้งหลายลอคิดรู้ มันยากหรือมันง่ายนกเข้ามันมีอาหารมีหนูเป็นต้นถ้าว่าหนูมันเข้าไปในก็บอกไม้ไผ่กินได้อย่างไรมันก็กิน ไ, ไม่ ไ, ได้มันก็หมดความสามารถที่จะกินได้แต่มันไม่ยากามันไม่ยากสําหรับงู หนัดงูมันม่ยาก <c oughs> นูมันเอาหัวหรือเอาตัวซุกซุกไปในกระบอกไม้พายมันก็เอาหนูเอาพระดูกงูเกศมากินได้แล้วไม่ใช่ยากท่านผู้ฟังทั้งหลายีท่า น, น, านหลงพ่อพระราชกรมพยามท่านบอกวิธีให้แก่เรามันก็เป็นของง่ายมโนมายิทธิก็เป็นของง่ายขึ้นมา แท้ที่จริงมันก็เป็นของยากสําหรับคนไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์บอกและเป็นคนไม่มีบุญไม่คาดตามคนทํามาเฉยโดยด้วยอันนี้ก็ถ้าเป็นคนมีบุญมีครูบาอาจารย์บอกมันก็เป็นของง่ายเหมือนกับอืูเอาหนูอากรูรอกเขียดในกระบอกไม่ไผ่มากินนะแต่มันไม่ใช่เป็นของยากมันเป็นของง่าย มันกพรศ์มัยยานพระราชาพงศ์มยา น, ายานท่านเป็นปู่ที่มีความฉลาดมีความสามารถมีอัจริยะอันพิเศษดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นปู่ที่จัดสำเร็จมโนโมยิทิ คามทริงเราฟังดูเฉอๆหรือทั่วๆไปแล้วก่อนในยุคนี้ในสมัยนี้ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกันแะจะหมดสมั ย, จ ะ, มมยจะหมดยุคเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติกันนั่นเอง ผู้ที่จะได้เป็นเด็กมโนโมยิธ้ธิซึ่งอันนี้เนี่ยแม้มันว่าไปแล้วมันไม่ใช่ของตำตำมันไม่ใช่สิ่งตำตำมันเป็นสิ่งที่คนปุรุชนทั้งหลายเอาได้ยากเหลือเกิน <c oughs> ภูมิที่จะได้นี่น่นะมันต้องเป็นภูมิที่เทียบกับอาณาคาวมีนั่นนะคือว่าเรื่องของท่านก็คือได้กล่าวสรรเสริญว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาสามมกมีพิเศษคือ คนอยากจะไปดูสวรรค์หรือจะไปดูเมืองฟ้าเมืองทิศเมืองนรกอะไรนั้นอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ชวนให้อยากรู้อยากเห็นเหมือนขนมหวานเด็กอยากกินเด็กชอบท่านก็ไม่ต้อง บอกว่าไปท่านมีทางคันเถอะท่านไม่ได้บอกมาอย่างนี้เบิดต้นแต่ท่านชวนไปเที่ยวสวรรค์กันก่อนอถ้าอยากไปจะไปดูเมืองสวรรค์ก็ไปเจดมากจดถามผมว่าปฏิบัติมโนโ ม, มายิทิกมาปฏิบัติมโนโมายิทิก็จะไปเห็นเมืองฝัสวรรค์ได้ไปไหว้พระธาตุจุฬามณีหรือไปที่ไหนก็ไปได้ทั้งนั้น่คนที่อยากไปดูสวรรค์กับมัน เหมือนกับว่าของหวานอยากกินอยากดื่มอยากสัมผัสนั่นแหละแต่ว่าคนที่จะไปถึงเมืองสวรรค์ได้มันก็ต้องได้โมโนมยิทธิโมโนมยิทธินี้มันมันต้องได้ฌานนูน่นมันต้องได้ฌานถ้าไม่ได้ฌานสี่ก็จะไปไม่ได้และฌานสีที่ว่าจะไปเมืองสวรรค์นี่นั่นนะ มันเทียบระดับจิตแล้วก็เป็นอนาคามีแล้วนี่ยถ้าเป็นนนาคามีแล้วเขาพูดที่จะได้ฌานนั่นมันจ้องละกรรมะฉันทะได้น้วันห้าได้พยาบาทได้ถ้าละพยาบาทไม่ได้ละกรรมะฉันไม่ได้ก็จะตําเร็จฌานได้อย่างไรหรอ อมนโนโมายเทยมันก็ไม่เป็นไปได้ก็เมือเปลี่ยนไปไม่ได้ก็ไปเห็นสวัสด์นรกได้อย่างไรก็เพราะฉะนั้นต้องล่วงเลยเสียซึ่งกรรมมชันทะพยาบาทหรือนิวรทั้งห้ากรรมฉชันทะนี่ท่านนาคามีทันละได้พยาบาททันละได้ท่านมีเมตตาบริบูรณ์กรรมฉันทะ ความรักให้พอใจในกิเลสอนลิศท่านละได้ก็นี่แหละคือหลวงพ่อพระราชนพลมยานท่านนำไปดูสวรรค์แต่ว่าการจะไปสวรรค์นั้นมันกลายเป็นเป็นอริยะเป็นอริยะบุคคลไปโดยไม่รู้ตัวคือกลายเป็นพระไปเสียแล้ว ท, ทั้งที่เราไม่ได้บวชพระาญาติโนมผู้ฟังทั้งหลาย การเป็นพระมีอยู่สองอย่างอาของอธิบายสักนน้อยหนึ่งการเป็นพระโดยการบวช น, นี่ทางโลกเขาเรียกว่าบวชพระหรืออุปสมบทแต่พระราษฎรพยานาท่านท่านไม่ต้องให้อุปสมบทคือท่านให้เราเป็นพระก่อนบวช คือให้คาถาญาติโยมทั้งหลายเป็นพระเสียก่อนคือเป็นพระก่อนบวชแต่สมัยนี้หรือนอกจากนี้เขาบวชก่อนเป็นพระฉะนั้นการบวชจึงมีสองอย่างที่กล่าวนี้เป็นพระก่อนบวชก็บวชก่อนเป็นพระคาทาฟั่งข้าใจก่อนญาติโยมสั่งข้าใจก่อน อ, อย่างที่ บวชัก่อนเนี่ยนะก็คือว่ามีกิเลสอยู่ดิๆนั่นแหละยังหลังโกธรังหลงยังรักใคร่เพราใจอะไรอันนี้กิเลสอยู่พร้อมๆเนี่ยเรียกว่าไปอุปสมบทที่วัดอันนี้โกนหัวเข้านุ่งเหลืองเข้าก่ออันนี้เรียกว่าอุปสมบทอันนี้เรียกว่าบวชธรรมดาอันนี้เรียกว่าทุกคนอันนี้ยังเป็นพระลยนะอันนี้เรียกว่ายังเป็นพระ แต่ว่าจะไปพาเมาได้ก็บอกู่าโอแต่ทำไมพระพุทธเจ้าก็มีพระ น, นันทะนั่นนะ่ะราชบุมา น, นันทะนั่นนะ่ะหรือพระราหุลก็ดีพระพุทธเจ้ า, าจว่าเขาจะปวดเรอบางท่านที่จะจัด ง, งานในวันนั้นอ่าเนี่ยพระราชภรมญาต้องคงจะเจรนาแล้วพระราชบุมา น, นันท ะ, ระรกำลังจะจัดงานบกนัญญี ร, ราชกนัญญี สวยาคนหนึ่งก็ในวัดจังงานมีมนุษ์พระพุทธเจ้าไปฉันอาหารทำพิธีมุ่งคนแตนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ไปฉันเสร็จแล้วก็กลับวัดก็กลับวัดแล้วก็นันทะเจ้าบาลเขก็ถือบาทตามไปทรงพระพุทธเจ้าก็ไปถึงวัดพระพุทธเจ้าก็เลยให้ โกนหัวปวดเสียจจะวดเหลือท่านฟังทางหลังลก็เลยบวดนั่นแหละอันนี้ยังหมเป็นพระด้วยนะบวดแล้วก็ดิน้นร้นแล้วกับนี้เออนึกถึงแม่ น, น้ำกัญยาณีอ่านาาชิมบานตาวานันอ่า อ, อ, อ, อ, อ, อะไรก็อนเปน้ำาน่นะนึกถึงจิตอกจิตใจอยู่นะกำลังจะแต่งงานวันนั้ น, นแท้แนนเนี่เนาะเออเนี่ย ขั้นบวชแล้วก็ออกไม่ได้ครับ น, นี่ออกไม่ได้อนอ่ะบวชแล้วเนี่ยแต่ว่าทางในมั น, นเป็นพระนี่นะกิเลสมันอยู่ทางในนันนะทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เออท่านเธอมันเดือดร้อนมกแล้วเนาะรวนกระวแล้วไปเที่ยวกันน่ะก็เลยชวนไปเที่ยวสวรรค์พระพุทธเจ้ากันเอาไปเที่ยวสวรรค์ไปดูนางฟ้านางสวรรค์โ น, น่น ดูไฟดูไฟโอ้มันงามแจ้งามว่าเของเฮามันแบบงามข <c oughs> <c oughs> องเฮามันเหมือนไก่ตกน้ำมันเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายอ่าเนี่ยคือใจขึ้นมาเกิดมาชอบน้องฝ้ายพอแล้ว <c oughs> เนี่ยคือสุตุชนมันมันมนันยังเป็นพระแต่ก็โคนหัวแล้วหนุม่มเดืองแล้ว นี่พวกพุทธเจ้าก็นำไปนั่ไปอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบนสวรรค์ น, นะ่ะมันดีมีที่สิ้นสุดนะด่ะทีนี้ก็จุดถามว่านั่นแทะเราจะเอากะอยางได้กะอ่างได้ไหมสาสวรรค์บนสวรรค์นเนี่ยเกิดชอบกันมาแล้วก็จะเอาโน่นใจนั่นนี่จะเอาน้อ มันนีเกเรตโลกทีนี้ก็พระสัจจะเอาก็อ่ะสัจจะเอาก็ไปปฏิบัติกรรมฐานภาวนากลับไปนอกกลับไปก็เดยผากลับมาจากบนสวรรค์ก็มาเจริญภาวนาไปภาวนาไป้นไ ป, นไปขึ้นมาอีกเกเรนี่มันมีที่สุสดอยากได้อันนั้นแล้วก็อยากได้อันนั้นอยากเหมือนกับคนอยากมีเงินหมื่นแล้วก็เงินแสนเงินแสนแล้วก็เงิน้าน เหมือนา้าามันก็ไร้ล้านมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้แหละท่านก็นมาขึ้นไปรับควรมาโอ้แบงเอาดีกว่ามันไม่สงบก็เลยบวชไว้แล้วเกินไหนที่สุดก็เลยมารู้แจ้งจริง ก, ก็เลยมันลู้ถึงขึงนมาเป็นอาลียะคนถึงพริพาเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นพระที่หลังเรียกว่าอุปสมบทมเรียกว่าเป็นอุปสมบทเกอนบทก่อนเป็นพระ แต่พระราชาพุมยานท่านท่านให้เราเป็นพระก่อนบวชหรือก่อนรู้ปฐมบวดคือการเจริญมโนมยิ่งทีนี่ลนะเจริไปจเจริญไปมันกลายเป็นองค์พระขึ้นมาในตัวกลายเป็นองค์พระขึ้นมาในตัวได้องค์ฌานได้ปฐมฌานกวัดเลยยิตกยิจานสิต่สุกเอานที่สามละสิติฉุก แล้วยวไปขายอุปารความจริงกับล่วงกรรมฉันทะไปต้องเหมือนแล้วะล่วงกรรมฉันทะจะเรี่ยงต้ ว, วนรกก่อนที่เข้าองค์ฌานนั่นแ่ะก็เพจาะฉะ น, นะั้นตากตาในระหว่างที่ไปในฌานหรืออยู่ในฌานหรือผู้ที่ไตรมาโนมิชจนี่นี่การตายก็เป็นชั้นสุทธาวาสลมถ้ายังไม่ได้นิพพาน หรือพระหันก็ไปเกิดเป็นสุทาว่าเอาอย่างฮตะปาสุษัสสุทติอคณิชฌาอันเนี้ยคือนอวงพพระราชนิยานของเราท่านา น, นันเลยดุสวรรค์ก็กนแต่แ ท, ท้จริงแล้วก็คือว่าคนจะไปสวรรค์นั่นมันต้องได้ฌานดังที่ได้ว่านี่แหละก็ต้องผู้ที่ได้ฌานก่อต้องละกิเลส ต, ต้นการมันฉันทะพยาบาทได้แล้วอันนี้มันใช่ของดําๆสำหรับผุ้ดชนเราแล้วมันยากเหลือเกินแต่ว่าท่านบอกแล้วก็กลายเป็นของง่ายไปเหมือนกับท่านพระคุณเจ้าดาวุฒได้กุบ ม, มาขั้นตนคือหวั่นรูกมีกุบมาอาารบอกแล้วก็มีบุญในชาติปามก่อนด้วยก็เป็นของง่ายศาานาโจรทั้งหลาย สุดท้านี้ก็กลัวเวลาจ็หนักไปท่านพระพุทธเจ้าจ ท, า ท, าทา่านก็จะหมู่นาทานสิยาโยงทั้งหลายได้ผ่กันมายศละหรือเ ร, ริ่รมเป็นบุญกุศลในที่นี้บรรดาท่านทัง้งหลาย ที่ท่านทั้งหลายนำมาสร้างให้ก็เป็นพยาธิที่ท่านนำมาประดับให้แล้วดีขอพระค์เจ้าที่กำเน่ดปรินีทรงอิปยานการปัถนาของท่านใย่างญ่เป็นขุนมาสกุลที่เจ้าก็ดีข้ปพระเจกับพทธเจ้าก็ดีจิ้สาวกเจ้าก็ดีขอความปัตนาของท่านจงสำเร็จขอฝวนมดำดีทั้งสองของท่าน จงเป็นที่เหมือนแพร่กระจายในวันเพ็ญเหมือนเที่ยวมันอีอันสว่างไสวคันยินดีทุกโรค uh, <c oughs> อนันละเวนทัหลายความโศกตุกุตวะแม้นอันตรายทั้งหลายจะ็นมิจฉ์โคตมีนาศไปมิเฉ์ความชนะความสําเร็จลับลาบยศกําลังยุบันและความฝูดความสวัสดีคมีโชคความเจริญรุ่งโรจน์สมบัติกว่าเป็นผู้มีอายุยืน ความสำเร็จในชีวิตของท่านความนั้นที่จย่อมสมุตเสร็จก่อนในบริบูรณ์ได้สึ้นใดการที่ทนแม่อุทิศแล้วเดียกนี้ย่อสำเร็จประโยชน์กับปีละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นไม่บิดยาบรรดาครูบาอาจารย์ที่านอาอยากสำเด็จมิตรลักจ้าันเจขอเวดาอนุนาาที่ทำทเแ้ในวันนี้สเ็จประโยชน์ทั่วก ขอพระสมุรมงคลจงมีแก่ท่านขอเทพยาดาจงรักษาท่านเดยอำนาจแห่งพระพุทธชาติทั้งปวงโดยอำนาพแห่งพระธรรมชาติทั้งปวงและโดยอำาพแห่งพระสรรมกิจทั้งปวงขอความสวัสดีทั้ง้ายจงมีแก่ท่านในกาลติกเมื่อแต่ถ้าบริวารขุนราปกปริเด็ิจาราพลังเอวบดีโตูดีนางใจนั่งอยู่บนบกทีจิตตั้งมกรรมตึงห้ คิดว่าเอ๋วัตรนี้จะดูดสัตว์ไปก็เริ่มดูดแล้วประกาศจันดูจนน่าดูจนน่าอายุวัตรผู้ดีน่าวัตรผู้ดีวัตรผู้ดีจะวัตรผู้ดีมาวัตรผู้ดีสนุวัตรผู้ดีโคตรสบด่าสบดุจัดมังกรังลัือดมาวง ตังตมะตังมุตเถรภัตถวาตังตมะตังมุตามัวาสุดทงัคันตังอภิวาเทมิภัควันตังเศวัชตาโตภัควาตาธรรมโมธรรมังนราสามิสุขติปโนภัตะวะโตสาวะกะสังโขสังขังนมามิ ผมขออนุญาตกลาบเรียนปู่ไม่ว่าจะข่าวว่าลุงปู่ป่วยตอนระหว่างเข้าพรรษานี่นั่นเป็นอะไรไม่ทราบแต่กระนี้ร่ากายเป็นยังไงทราบอยากให no ้ผู้ชมอยู่ทั้งกรุงเทพก็ได้ข่าวว่าลุงปู่ป่วยแต่ว่าได้ข่าวอย่างว่าลุงปู่ไม่ไม่ไม่รับแขกไปแล้วเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ด้วยไเมริกามาเยี่ยมกันอันนี้ลุงปู่ท่านเป็นโรคอะไรครับแต่กระนี้ป่วยร่างกายเป็นยไงมาครับ ข้อป <c ười> ่วยเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้เป็นไอเป็นโนุกนั่แทบโลดี่แทบมันก็ทำให้เสื่อมแข็งๆไปค่นี้นะครับพรผู้ครับอาการอันนี้เกิเพราะได้ถ่ะกพรไป่ได้ มีม น, น, มนอยู่สักร้อยยี่สิปีนะครับแ <c oughs> ล้วก็ส่งนะสงนมนกับเทวดานมดาแล้ววันนี้ที่จะห่วงหานสงสาดทั้งหลายได้แตจะเริ่มิทธิบาทติด้นะครับ ม, มนครับ อยู่เป็นรงโผโรองไปให้ลูกิษ์มันจะบุญพระราชปกุญาณเลครับกอนนั่นแหละก่อพระพุทธเจ้าท่านก็ยังท่านยังไม่อยู่เนาะถึงเวลา่วนนี้มนลงูอยู่ตักร้อยอี่สิบนัและครับมันเจ็บอย่างนี้อำนาจอะไรหายละมู้ที่นั่นแหละสำคัญก็ แต่รวมทั้งหลายนั่น่ะอย่าทิ้งข้อปฏิบัติกันนะเนี่ยเป็นเรื่องสาคัญคือคือเคยกาพัฒนาหลวงปูอยู่คราวหนึ่งแล้วแต่ว่าที่วัดทะาตุงนะครับจะมีงานพิเศษอยู่งานหนึ่งว่าบูชาบุทธเจ้าจะหลออพระพุทธรูปทองคำ ประมาณน้ำหนักประมาณสี่สิบกิโลผู้กับผมเ พ, พ, พื่อนพระพิสุด้วยกันอยากรัตนาพระเจาะจงที่ผู้เก่าได้เคารพนับถือก็ในหลวงปู่พวกหนึ่งที่ผู้กับผมได้เคารพนับถือเป็นบุกคนเลยอยากจะรัตนาหลวงปู่เมื่อคราวที่จะรอพระทองคําก็ อ, อยากไม่ให้เป็นกิจมงคนกับวัดกับผู้กับผมด้วย หลวงปู่ไม่ป่วยไข้เกินไปร่างกายปกติผมอยากขอความเมตตาจากหลวงปู่ด้วยครับถ้าคราวนั้นแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนมีกำหนดเวลาแล้วผมขอกราบรนานหลวงปูู่มีคำคำอย่าหายไหมครับรับมีมนไหครับก็ยินดีแต่ว่าครั้งแรกก็คงจะ ผมก็แค่เจ็บไปน่ะนะีหมดไปทัาองค์ไม่ได้ครับนั่นก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งทั้งน้นรับเท้าแล้ครับได้เวเลาแล้วลปมายเลยเลัเลยยเลย ใครจะไหนจะทำไหมจะเจอมีอะไรก็ทำปูเพราะว่าปูท่านจะฉันทหารเองยเวลาอนไหนาะนะมั้งาอะไรของไม่รู้ไมรู้มีหิวกันมั้งหเต็มคนก็ยังไม่ได้กินเช้านะ ผมก็ได้ตัวเลขก็อยากจะบอกรายยมหน่อยแต่ไม่บอกนั่นแหละคอยคบเลขหลักสามแล้วมาไว้เจ็ดนั่นเอง